อดีตเป็นหัวหน้าตอนนี้ไอ้พวกนําหน้านี่บรรลุหลังทั้งหมดเลยนาะ ด, ดีมั้งเนี่ยพระราชาก็ให้พระประเจกกับพุทธเจ้านั่งแล้วก็ตรัสว่าพวกท่านชื่อว่าอะไรพระประเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทูลว่าดูก่อนมหาบาพิธพวกอาตมาชื่อว่าพระหูสูตรแปล ว, ว่าผู้ฟังมากพระราชาก็มีพระราชาหฤทัยยินดีว่าเราชื่อว่าสุตตะพรหมทัต เราไม่อิ่มด้วยความอิ่มด้วยสุตะเอาเธอเราจะฟังพระสัตรธธรรมเทศนาอันมีนัยวิจิตในสํานักของพระปเจกับพระเทเจ้าเหล่านั้นว่าชอบฟังอยู่แล้วแห่พอชื่อว่าพระหูสูนี่เยี่ยมเลยดีดีดก็เลยถวายนา้ําทักซีโนโทกอังฆ่าแล้วในที่สุดแห่งพัตตะกิตรับบาศของพระสังฆเถระไหวแล้วก็ประทับนั่งข้างหน้าพระพงก็ตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านแสดงธรรมะคถาเถิดพระประเจ ก, ก็ทูลว่า ขอมหาราชจงมีความสุขสิ้นราคาเะเธอแล้วก็ลุกไปเนี่ยพระหูสูตรเขาพูดแค่เนี้ยพอแล้เอาขอให้มันขอให้มีความสุขนะให้หมดราคะได้พอและแล้วก็ลุกไปพระพเจกพระพุทธเจ้าบอกพระองค์นี้ไม่ใช่พหูสูตรพูดอะไรพูดสองคำมาเงินขอให้มีความสุ ข, ขให้หมดราคะเนี่ยเหรือพหูสูตรไม่เข้าใจเลยพระองค์ก็คิดว่าจัดรำมเทศฟังเดี๋ยวฟังองค์ที่สองก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นิมนต์มาฉันใหม่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 อีกองสุดท้ายองค์ที่7ก็บอกว่าขอให้มีความสุขให้สิ้นตัณหาแล้วก็ลูกกันกลับไปหมดเท่ม <Hey, S 1> ยังไงเนี่ยพระราชาก็เลยคิดว่าพระประเจกับพระพุทธเจ้าเหล่านี้กล่าวว่าอาตมาเป็นพหูสูตรแต่พระประเจกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่มีคาถาวิจิตเลยไม่เห็นอธิบายอะไรเลยบอกหุ้นหวแล้วก็ไปแล้วก็บอกว่าพหูสูตรําที่พระประเจกับพพุทธเจ้านั้นเนี่ยกล่าวแล้วมีประโยชน์อะไร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 อยากเป็นพหูสูตรแบบนี้อ่ะจะได้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นขติสิ้นวัตตาสิ้นอุปธิสิ้นตันหาสิ้นวัตทะทุก์เนี่ยแม้วันไหนนะเราจะเป็นพหูสูตรแบบนี้สักทีหนึ่งก็จะรู้ว่าพหูสูตรในทีน่นี้เน้นที่การปฏิบัติเนี่ยนะเน้นที่การเจริญไม่ได้เน้นที่น้ําท่วมทุ่งไม่ได้เน้นตรงนั้นพันท่านก็สละราชสมบัติบวชแล้วก็เจริญพิปัสนาบรรลุเป็นพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้า ก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าพหูสุดตังธรรมะธรังพระเฉธะมิตรตังอุลารังปฏิภาณวันตังอัญญายะอัฏฐานิวินายะกังขังเอโกเจเรคค้าวิสาน ก, กัปโปบุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมมีปฏิภาณรู้จากประโยชน์ทั้งหลายกำจัดความสงสัยได้แล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหนอแรกฉนั้นเนี่ยนะ พันแสดงว่าพผงหูสูตรตรงนี้บอกว่ามีอยู่สองประเภทด้วยกันพระหูสูตรมีอยู่สองพวกคือพระหูสูตรทางปริยัตโดยเชี่ยวชาญเนื้อความในพระไตรปิฎกผู้ที่แตกฉันในพระไตรปิฎกก็เรียก ว, ว่าเป็นผงหูสูตรทางปริยัตส่วนพระหูสูตรอย่างที่สองเรียก ว, ว่าพระหูสูตรทางปฏิเวทเพราะอะไรผงหูสูตรที่บรรลุมรรคผลวิชาอภิญญาที่ตนบรรลุแทงตลอดแล้วเนี่ยนะแทงตลอดอรยิยมรดุด้วยการเจริญแทงตลอดอริยผลด้วยการทําให้แจ้ง นั้นก็เป็นผู้หูสูรทางปริยัตและทางปฏิเวษเรียนมากกับบรรลุอ่ะนะผู้มีอาคมมาแล้วก็คือผู้ทรงธรรมประกอบด้วยกายกรรมอ่ะนะทระงธรรมก็คือมีกายกรรมอันเป็นธรรมอ่ะ น, นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันยิ่งเชื่อว่าผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมเพราะว่ามีมียุตตะปฏิพานต่อไปนะรับผู้มีอาคมก็คือผู้มี ปริยัติที่ได้มาแล้วหรือมีอธิคมการบรรลุเรียกว่าผู้ทรงธรรมส่วนผู้ที่ประกอบด้วยกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมอันยิ่งเรียกว่าผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมส่วนผู้มียุตะตะปฏิพานมุตตปฏิพานผู้ที่มียุตตะมุตตะปฏิพานชื่อว่าผู้มีปฏิพานปฏิพานสามอย่างด้วยอํานาจปริยัติปฏิพานด้วยอํานาจปริปุชฌาแล้วก็ด้วยอำนาจอธิคมกล่าวโดยโย่อสรุปว่า คำว่าปฏิพานโดยปริยัตก็คือปริยัตย่อมแจมแจ้งแก่มิตรใดมิตรนั้นชื่อว่าปริยัตปฏิพานการสอบถามยม่อมแจมแจ้งแก่มิตรใดผู้สอบถามาผู้ที่เรียนปริยัตมากเนี่ยนะเรียกว่าพวกปริยัตปฏิพานส่วนผู้ที่ถามสอบถามอัตยานลักษณะฐานะฐานะอฐานะมิตรนั้นชื่อว่าปริปุชฉาปฏิพานส่วนธรร ม, มะมีมักเป็นต้น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 ในจุลนิเทศอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าควรคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมมีคุณอันยิ่งมีปฏิพานรู้จักประโยชน์ทั้งหลายแล้วกําจัดความสงสัยเพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรกนั้นอธิบายว่าผู้เป็นพหูสูตรนั้นคือใครคือผู้ที่ได้สดับมากเป็นผู้ทรงธรรมที่ได้สดับมาแล้วสั่งสมธรรมที่ได้สดับมาแล้วธรรมะเหล่าใดที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด พร้อมทั้งอาาัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจารีบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะเห็นปานั้นเป็นธรรมะที่มิตรนั้นได้สดับมากทรงจําไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีนี่เรียกว่าคนที่เป็นปหูสูตรจาแม่นจําเยี่ยมเหมือนกันจะเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าจําเอามาเป็นท่อนๆเป็นตอนๆนะหมายความว่ารวบทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเข้าใจอย่างทะลุโ ป, ปรุปรงเรียกว่าทรงจําคล่องปากขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้ว ย, วยทิฐิ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 แล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิคือเข้าใจบทพยัญชนะที่ศึกษามาอย่างเป็นอย่างดีเรียกว่าผู้ที่เป็นหูสูตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นควรครบมิตรผู้เป็นหูสูตรเช่นนั้นบทว่าธรรมธ ร, รังผู้ทรงธรรมก็คือทรงอะไรทรงสุตตะเคยยะเวยากรณาคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูทธรรมเวทละแปลภาษาไทยว่าทรงพระไตรปิฎก ควรครบมิตรผู้เป็นพหูสูตรผู้ทรงธทมความว่าควรครบควรเสพเสพแปลว่าเข้าไปเสพร่วมเสพเสพในที่นี้ก็ไม่ได้แบบแบบอย่าไปคิดอาคุสน่ะ น, นะหมายความว่ามีการเกี่ยวข้องกันด้วยการด้ว ย, ด, วยด้วยการพูดปะพบปะสนทนาฟังเป็นต้นเนี่ยนะคือว่าเกี่ยวข้องกันด้วยการเห็นการฟัง ก, ก็ฟังอะไรก็ฟังคําสอนเหล่านี้นี่แหละ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 ตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างในโพธิปักษ์ยกตัวอย่างคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์เ้าธรรมะเนี่ยย่อขยายได้ไหมพระไตรปิฎกย่อขยายได้ไหมได้นับหนึ่งก็ได้เรียกว่ามีรถเดียวคือวิมุตติรถคําสอนพุทธเจ้านับสองก็ได้เรียกว่าธทำกับวินยัยเรียกสามก็ได้ปฐมพุทธพจน์เรียกปฐมพุทธพจน์ปัจฉิมพุทธพจน์และก็มัชชิมะท่ามกลางพุทธพจน์หรือไม่ก็วินยัยพระวินยัยพระพระสูตรพระพิธรรมคเครียกว่าโดยสโดย โดย5โดยหก็คือทีอะทีมะสังอังคุทีคนิกายมะชิมะนิกายสังยุตอังคุตและคุ ธ, ธากะานิกายถ้านับ9ก็คือคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค้ามีสุตขัยยะเป็นต้นและถ้านับนับเยอะกว่านั้นก็ 84,000 พโดยธรรมขันนผู้ที่เรียนมากแล้วก็มีปฏิภาณไวพริบอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิภาณเพราะการเรียนเรียนภาพปริยัตเนี่ยนะ ส่วนผู้ที่มีปฏิพานเพราะปริปุชาก็คือสอบเป็นคนที่ในโลกเนียไต่ถามในอรหัตผลเป็นผู้สอบถามในอริยมัติมีองค์แ8ดเป็นผู้ที่สอบถามในลักษณะของความไม่เที่ยงลักษณะของความเป็นทุกข์ลักษณะของความเป็นอนัตตาลักษณะเหตุและมิใช่เหตุลักษณะฐานะอฐานะ คือฟังว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เป็นคนที่สอบถามมากพระพุทธพ์ย่อมแจมแจ้งแก่บุคคลนั้นเพราะอาศัยการไต่ถามนี้ชื่อว่ามีปฏิพานเพราะปริปุชารเรียกว่าคล่องเลยเข้าใจเลยส่วนบุคคลที่สมบุคคลผู้มีปฏิพาณโดยการบรรลุเป็นไนะคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้บรรลุสติป 4, ัญญาสบรรลุสัมมปัญญาสี่บำลุ อิทิบาสีบรรลุอินทรี่ห้าพละห้าพ่อชงเจ็ดอริยมรตมีองค์แปดอริยมรตสี่สามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสีอภิญญาหกอันนี้หมายความว่าเจริญแล้วบรรลุเลยนะปฏิบัติตามคนระโดยการเรียนพหูสูตรเรียนไม่เยอะก็จริงโดยปริญญาตรเรียนมากเรียนน้อยไม่สําคัญแต่ที่สําคัญตรงนี้ก็คือในเรียนแล้วบรรลุอนะเพราะฉะนั้นผู้นั้นรู้อัตรู้ทำรู้นิรุตรู้ รู้อัดอัดก็แจมแจ้งรู้ทำทำก็แจงแจ้งรู้นิรุตินิรุตก็แจมแจ้งเรียกว่ายานในปฏิสัมพิธาสก็เรียกปฏิภาณะปฏิสัมพิทาเนี่ย น, นะอักถาปฏิสัมพิทาก็คือยานที่รู้ในผลธรรมะปฏิสัมพิทาก็คือยานที่รู้ในเหตุนิรุติปฏิสัมพิธาก็คือรู้ในการเอามาแสดงเอามาพูดเอามากล่าวบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยส่วนปฏิภาณะปฏิสัมพิทาก็คือรอบรู้ยานสามอย่างข้างต้น Weather. นั่นแล้วเนี่ย เ, เรียกว่าปฏิภาณ พันแเรียกว่าประสงค์จะรู้อัดอัดก็แจ่มแจ้งประสงค์จะรู้ธทำทำก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้นิรุตนิรุตก็แจ่มแจ้งหรือกว่าใส่ใจไปตรงไหนรอบรู้ไปหมดเลยเรียกว่าผู้ที่มีปฏิพันธ์พระประเจกพะพุทธเจ้านั้นเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบแล้วด้วยปฏิพัณธ์ปฏิสัมพิธาเพราะเหตุนั้นพระประเจกข พ, พุทธเจ้านั้นชื่อว่ามีปฏิพาน์ ผู้ใดไม่มีปริยัตไม่มีปริปุชามไม่มีอธิคมบททําอะไรจะแจมแจ้งแก่บุคคลนั้นเล่าตรงนี้แปลว่าอะไรเน็บมาหน่อยหนึ่งเรียนก็ไม่เรียนถามก็ไม่ท้ามบรรลุอะไรก็ไม่มีแล้วจะมารู้อะไรว้างมันมันนั่งสองเทียนตรงไหนแบบนั้นะสองเทียนจะรู้ได้ยังไงคำว่างั้นนะเพราะฉะนั้นจะต้องครบมิตรผู้มีคุณอันยิ่งมีปฏิภาณนะให้ครบมิตรผู้เป็นปะหูสูตรมีคุณอันยิ่งมีปฏิภาณ